อะอธิบายสังโยชน์ทั้งหมดใช่ไหมสังโยชน์เนี่ยมีมีสิบอย่างนะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความเป็นอริยบุคคลนะที่ชัดเจนนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแปลไม่ออกก็จะดูว่ายากแต่วัดด้วยสังโยชน์เนี่ยชัดเจนที่สุดนะ และพระพุทธเจ้าก็ใช้ตัวสังโยชน์ เ, นเป็นเครื่องวัดค่อนข้างมากแต่มุมที่ง่ายกว่านี้ก็มีอย่างเช่นโสดาบันก็ให้ดูสองมุมสินห้าบริบูรณ์ไหมนะวันว้ในพระราชนารายหรือเปล่าอสองอันนี้ได้โสดาบันไปละแต่ถ้าพูดว่าสังโยชน์ก็จะต้องหนึ่งละสักกายทิฏฐิสองวิจิ 3, 4, กิจฉาสามสีลระพตปรามาตืม สังโยชน์มีสิบอย่างแบ่งเป็นเบื้องต่ํากับเบื้องสูงสังโยชน์เบื้องต่ําเกี่ยวกับกรรมภพหรือกรรมธาตุทั้งหมดคําว่ากรรมธาตุก็คือธาตุดินน้ําไฟลมสี่ธาตุนีาะฉนนั้นอัตภาพร่างกายใดก็าตามที่ประกอบด้วยดินน้ําไฟลมอันนี้อยู่ในกลุ่มสังโยชน์เบื้องต่ําทั้งหมดได้ตาหูจมูกลิ้นกาย5้าอายจตนะตัวห้าอายจตนะเนี่ย เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นกลุ่มที่ต้องละในเบื้องต้นสังโยชน์เบื้องต่ำมีอะไรบ้างห้าอย่างหนึ่งสักยัิทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสี่ลปตะปรามานส่กรรมฉันทะห้าพยาบาทหรือปฏิฆะใช้แทนกันได้สองอันพยาบาทหรือปฏิฆะปฏิฆะหมายถึงความหงุดหงิดลำคาญใจ อายบาตใช้ได้ทั้งสองอย่างกรมสัญชาความพอใจความยินดีในอยนายตนะห้าของกายอันแรกสักยติทิฏฐิหมายถึงอะไรหมายถึงมีความเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นโสดาบันจะต้องละความเห็นตรงนี้ได้ยังละขันธ์ห้าไม่ได้แต่เปลี่ยนความเห็นที่จะเชื่อว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเที่ยงได้ พระเจ้าจึงบอกว่าโสดาบันโสดาปฏิมัติคือสัตธานุสาลีกับธรรมานุสาลีน์พระเจ้าจึงบอกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงก็คือเห็นขันท่าไม่เที่ยงนั่นเองไม่เชื่อแล้วว่าขันท่าเนี่ยมันจีหลังยั่งยืนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือขันท่าเนี่ยพูดได้สองมุมพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ พูดเป็น6ก็ได้ลงรายละเอียดกับเรื่องกายเรื่องรูปธาตุลงรายละเอียดเป็นตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแล้วก็พูดนามธรรมรวมเป็น1คือใจนีอันนี้เรียกว่าพูดโดยเป็นอายตนาหตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าพูดเป็นหก็พูดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปลงรายละเอียดในนามธรรมแต่รูปธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเรียกว่ารูปพูดเป็น1เดียว พูดอันเดียวรูปแล้วก็ไปลงรายละเอียดนามธรรมซึ่งเดิมเนี่ยพูดใจอย่างเดียวแต่นี้ก็จะพูดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ี่ก็มี2มุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละบุคคลบางคนพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็อ่ะขันห้าเข้าใจไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนจะเข้าใจมุมนี้บางคนเข้าใจมุมนี้จึงมีการแจกแจงธรรมะที่หลากหลายเพื่อเกิดความเข้าใจในแต่ละบุคคล ซึ่งสร้างบารมีมาไม่เท่ากันสักยะทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความเชื่อว่าขันห้าเป็นตัวตนได้รูล้ละไม่เที่ยงยอมรับตรงนี้อย่างที่สองนะวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะในเส้นทางในมรรคในปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติโสดาบันไม่สงสัยนะจะต้องละตรงนี้ได้ไม่สงสัยว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้พ้นทุกข์ได้ต้องหมดข้อสงสัยตรงนี้เพราะฉะนั้นวิจิิจชานี่มันอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นนะแต่พระนาคามีสกิทาคามียังมีข้อสงสัยอยู่ไหมก็มีข้อสงสัยทุกระดับขั้นตอนก่อนถึงพระรหันต์มีมีข้อสงสัยมีหมดนะ่ะแต่เป็นกรอบการสงสัยที่ไม่เกี่ยวกับกรอบวิจิกจชาน้ คือมั่นคงในเส้นทางรู้แล้วว่าเส้นทางนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าวิวทูทัศน์ระหว่างเส้นทางเนี่ยมีอะไรบ้างก็ยังสงสัยเนี่ยอยากจะรู้เนะี่ยยังสงสัยแต่ไม่สงสัยว่าเส้นที่ตัวเองเดินเนี่ยเป็นเส้นที่ไปสู่ที่หมายแน่นอนนะแต่ยังสงสัยในวิวทูทัศน์ระหว่างทางใช่ไหมอ่เออที่หมายเป็นยังไงนะระหว่างเดินไปจะถกกันเออนิพนธ์เป็นยังไงนะที่หมายสงสัย เอ้ผู้จ้าบอกเดี๋ยวเดินไปอีกห้าร้อยเมตรจะเจอแอ่งน้ําใหญ่มันจะเป็นยังไงนะจะเจอแนวป่าใหญ่มันจะเป็นยังไงก็ยังสงสัยอย่างนี้อยู่ไม่ใช่หมดข้อสงสัยทั้งหมดนะอืมเพราะว่าในหมู่นักปฏิบัติก็อ่ายังมีข้อสงสัยอยู่อีกเหรอนะก็มองเป็นว่าอก็พูดกันหยอกกันเล่นนะแต่เอ้ยยังมีข้อสงสัยอยู่ยังใช่ไม่ได้มันก็ต้องมีอข้อสงสัย แต่มันไม่สงสัยในมรรคและปฏิปทาแล้วนะนั้นก็ตีกรอบวิจิกิจฉาของโสดาบันไว้เท่านี้นะสีะระพตตาปาามาตเมื่อสองวัน ก, นก่อนก็เอามาอ่านเรื่อง อ, อุปทานสีสีะระปตุปาทานอุปทานในสินพลดนะข้อปฏิบตัติทางกายทางวาจา นะศีลนะความสะอาดด้วยศีลความสะอาดด้วยพรสความสะอาดด้วยกายด้วยวาจาตามแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่ น, นอันเนี้ยโสดาบันวางได้โสดาบันจะต้องละได้นี่คือส่วนของศีลพระตาปลามาดความที่ไปเชื่อ ว, ว่าเดินลงไปในแม่น้ําแล้วก็ลุกขึ้นมานะเดินขึ้นมาล้วถือว่า บาปหมดแล้วสะอาดแล้วนะหรือว่าเชื่อ ว, ว่าบูชาไฟละบาปหมดนะดื่มน้ำโคไมาสดรูปหญ้าเขียวทุกเชา้านะบาปหมดนะนอนบนตะปูยืนขาเดียวอ้าปากกินน้ำค้างบาปอพุศลหมดนะนี่มีข้อปฏิบัติทางกายปราชาหลายแบบไอเดินลงแม่น้ำนี่อาตมาก็มานึกถึงคนลดน้ำมนต์กันมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะไอ้นั่นเดินลงน้ำแม่นี่เอาน้ามาลด แล้วก็บาปอกุศลหายน ะ, ะแต่ก่อนเราก็วิ่งลดเหมือนกั น, นก็เลยไม่ว่ากันไม่เป็นไรใครยังลดอยู่ก็เลิกลดได้เปลี่ยนใจได้นะเนี่ยเราลากกายเราไปเราลากวาจารเราไปทำข้อประพฤติปฏปิบัติแบบอื่นที่ผู้จ้างไม่ได้สอน ในแบบของเจ้าลัทธิอื่นสมณพรามณ์เหล่าอื่นนะที่เขาปฏิบัติแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ดยดนะีบาปอกุศลหมดไปได้โสดาบันไม่เชื่อล้วโซดาบันมั่นคงในมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นบาปอกุศลหมดอย่างนี้นี่เรามั่นคงตรงนี้ปหมหวั่นไหวไหมมั่นใจไหมแน่ใจไหมนะถ้าไม่หวั่นไหวในคำของคนเราอื่นเหมือนเมื่อเย็นก็จะมีคนมาถามว่า เนี่ยมีคนทักว่าลูกดิชันที่ตายไปเนี่ยนยังไม่เกิดจะทํายังไงดีอาตมาบอกมันผิดตั้งแต่พยากรแล้วผิดหลายประเด็นนะไปสําคัญตัวว่าพยากรณเนี่ยคําพยากรตัวเองเที่ยง เ, ยเพราะในระดับส า, บาวกกูเจ้าก็บอกแล้วว่าการพยากร น, นั้นมีความไม่เที่ยงแฝงอยู่ เชื่อตรงนี้ตัวเองก็ผิดพลาดแลนะอย่างที่สองเข้าใจผิดอีกคิดว่าคนตายแล้วนี่ยังไม่ไปเกิดนะ จ, รจริงๆเมื่อตายแล้วจิตก็จะสร้างการเกิดเลยก็เหมือนกับเรานั่งดูลมหายใจอยู่อย่างเงี้ยจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดไปรู้เรื่องนั้นไปรู้เรื่องนี้นันน่นน่ะสร้างการเกิดนั่นน่นนะถ้าเราตายไปร่างกายเราแตกดับขนาดนะั้นนั่นนะ่ะสถานที่เกิดคือพบของของจิตเลย จิตก็จะสร้างอัตภาพไปตามนั้นในภพภูมินั้นนะ่ะที่จิตไปรู้นั่นคืออารมณ์สุดท้ายนะ่ะของจิตนะเพราะฉะนั้นคนตายแล้วจิตทํางานอยู่มหมยังทํางานอยู่ก็ทํางานก็ไปเกิดแล้วนั่นแนหะไปเกิดแต่เขามองว่าการไปเป็นนรกตําเนิงเดชานไปวิสัยยังไม่เกิดเขามองว่าการเกิดคือต้องคงต้องเป็นมนุษย์มั้งเป็นเทวดาเป็นอะไรนั่นคือเขาเกิดแล้วเขาก็ได้อัตภาพแบบนั้นไปแล้วนะอืม แต่เราไม่พอใจไม่อยากได้ก็เลยมองว่าอันนี้ยังไม่เกิดนะจริงๆก็เกิดไปแล้วก็เลยบอกอย่าไปสนใจนแล้วเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ละนอกจากการอุทิศบุญทำได้แค่นั้นบอกโยมจะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้นทำไม่ได้เพราะเขาก็ตายไปแล้วอยู่กเราพบปุ่มแล้วสิ่งที่ทำได้ที่พูะเจ้าให้ทำก็คือ รักษาศีลให้ดีนั่งสมาธิให้ดีได้บุญกุศลและอุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้กับผู้ร่วงลับนี่คือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วตั้งเจตนาอุทิศให้นี่นี่ก็คือหน้าที่ของเราถ้าอยากจะทําก็ทําแค่นี้นี่ก็กี่ข้อละสังโยชน์สามสามข้อละนะ่สักะยัตทิฏฐิวิจิตรช้าศีาลพระตปาคามากนีกมามฉันทะ เป็นยังไงพยาบาทเป็นยังไงอันนี้ก็บอกคู่กันได้ก็คือความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจนะ่ในเรื่องอะไรในอายตนะที่รับสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายห้าอายตนะของกายนะ่าละได้อีกสองอย่างนี่คืออนาคามีบุคคลนะตาเห็นรูปพอใจมาวางได้เลย ตาเห็นรูปไม่พอใจวางได้เลยนะอ่ากรรมฉันทะพยาบาทราคานุสยัยหรือเรียกว่าราคานุสัยกับปฏิคานุสยัยนะอนุสัยคือความพอใจอนุสัยคือความไม่พอใจนะหูฟังเสียงปุ๊บวางได้พอใจวางไม่พอใจวางจมูกดมกลิ่นพอใจมาวางไม่พอใจมาวางได้ทันทีรวดเร็วเมื่อวางได้รวดเร็วจึงไม่ต้องไปเกิดใน ในที่นั้นอีกไงเพราะพอจิตจะไปเกิดระวังแล้วนี่ไม่ทันได้เกิดพระอนาคามีจริงไม่ต้องกลับมาเกิดบนโลกนี้อีกไม่ต้องมาสายธาตุดินาน้ำไฟลมมาสร้างการเกิดให้ตัวเองอีกนแต่ยังพอใจในนามธรรมจริงต้องไปเกิดในนี่อ่าชั้นสุทาวาสนี่ซึ่งไม่มีดินานา้ำไฟลมละ ก็คือเลยอยากดินน้ำไฟลมขึ้นไปนี่ก็อีกสองสังโยชน์ที่อนาคามีะละได้ที่โสดาสกิธาคาจะต้องเพียรพยายามเพื่อละความพอใจไม่พอใจในอายตนะหของกายถ้าละได้ก็ได้อนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่ง นั้นอาณาคามีกับพระรหันต์มองแล้วติดกันแต่ไกลกันคนละครึ่งนะอืมอาณาคามีก็ละได้ครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งที่ตัวเองจะต้องละนะอืมเป็นเรื่องของอรหัตมรักละเพราะนั้นผู้ที่เดินมรักในความที่จะเป็นพระรหันต์ก็ต้องไล่ค่าตัวคือรูปประหาคะอาลู ป, ปราคะนะมานะอุชัตจันะแล้วก็อวิชา อุทจจะกูฏจะอวิชชาอุทจจะตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะเหมือนในนิวรณ์แต่ก็ไม่เหมือนกันคนละคนละอย่างกันนิวรณ์หมีอุทจจะด้วยเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านที่จิตไปสแสวงหารมต่างๆแต่อุทจจะของอผู้ที่เดินอรหัตมรรมเนี่ยก็คือความฟุ้งซ่านในการทําความเพียรนะขยันเดินยโยงกลมนั่งสมาธินะขยันทําความเพียรขยันมาก พยายาเกินพอดีอีกนะก็หาความพอดีไม่ได้อีกอก็ต้องลดระดับลงมาดูว่ามันพอดียังไงพอดีแค่ไหนมากวิธีตรงนี้จะมาใช้กับพระเสขา น, นก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวไม่ต้องทำความเพียรกันก็เลยเลยมันเหมาะเหมาะสำหรับในแต่ละ ภูมิจิตภูมิทําในแต่ละคนเหมือนกับอาวุธที่เหมาะสําหรับฆ่าศึกประเภทต่างๆฆ่าศึกอยู่ไกลก็เอาธนูยิงอาวุธยาวยิงไปฆ่าศึกอยู่ใกล้ธนูยิงไม่ได้ก็หามีดสั้นอาวุธสั้นทํำลายฆ่าศึกนี่คือความหลากหลายของอาวุธผู้ใดสังสมสุตตะมากได้ยินได้ฟังมากสังสมนะพุทธวจนะไว้มากผู้เจ้าบอกว่า เปรียบด้วยผู้นั้นเนี่ยสั่งสมอาวุธไว ม, มากในการที่จะจัดทาําลายฆ่าศึกเราจะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรในการใช้อาวุธประเภทไหนกับกิเลส ต, ตัวนี้กับกิเลส ต, ตัวนี้อย่างเงี้ยนะรู ป, ปราคารู ป, ปราคะความพอใจในรูปประชานระูปประชานความพอใจในความสงบ นั่งสมาธิสงบล่ะพอใจไหมเผลนไหมหรือว่ามีสติเฝ้าดูอยู่ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมของมันถ้าเพลินก็คือติดนะก็เป็นติดรูกประลาคขาไปนะ่ะทำอารูปฌานได้เพลินไหมถ้าเพลินก็ติดอรูประหลาดมาณนะนะ่ะมาณะก็ความถือตัวภานาคามี สูงกว่าเขาถือตัวว่าสูงไหมถือตัวว่าสูงเนี่ยก็ต้องละความถือตัวตรงนี้นคนที่ต่ำก็ถือตัวเองว่าต่ำอีก <c oughs> ก็ต้องละความถือตัวตรงนี้อีกความถือตัวก็แบ่งเป็นสองลักษณะลักษณะแรกเรียกมานะก้ามานะก้าก็จะไล่ไปตั้งแต่เราต่ำกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิด เห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราสูงกว่าเขาก็ผิดคือมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยสักมุมหนึ่งเราเสมอเขาเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราสูงกว่าเขาก็ผิดทั้งๆที่เราเสมอเขาเห็นว่าเสมอกันก็ไม่ถูกอืก็ต้องไม่มีมุมของความสูงต่ําเห็นนะเราสูงกว่าเขาเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราสูงกว่าเขาจริงก็ผิดนี่เรียกว่ามานักก้าว อย่างละสามสามสมเก้าอีกอันท่านก็เรียกมานะหกอันนี้จะไม่ค่อยเคยได้ยินพรนะเจ้าบอกมานะหกมีอะไรนะบุคคลไม่ละธรรมหกประการไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอัลลาตผลนะถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดนะทำพระหัวดือ้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวหกอย่างนะ ยกตัวเนี่ก็เป็นมานะลดตัวก็ไม่ได้นะลดตัวก็เป็นมานะอีกเก็บอกโอ้คุณมีความสามารถเราก็มีความสามารถโอ้ผมไม่มีหรอกนะลดตัวลงมาอีกก็เป็นกิเลสเองเหมือนกันยกตัวก็ไม่ได้ยกตัวเกินไปอีน่ะก็เป็นกิเลสลดตัวก็เป็นกิเลสถือตัวก็เป็นกิเลสถือตัวมากจัดก็เป็นกิเลส หัวดื้อก็เป็นกิเลสสำคัญตนว่าเลวสำคัญตนว่าไม่มดีโอ้ยนี่พ่านกายยังเลยโสดาบันกายเยผคงไม่มีวาสนาหรอกชาตินี้นี่กิเลสนะต้องทิ้งความคิดนี้ไปเลยทุกคนทำได้นะทุกคนเป็นมนุษย์ทำได้ถึงได้นะอ่าอย่าไปท้อใจอย่าไปเชื่อความคิดว่าโอ้เราคงไม่ถึงแน่ชาตินี้ไม่แน่อันนี้จังไม่แน่นะอืออ่าถึงได้นะเป็นได้ตลอดเวลา นี่ต้องมั่นใจตรงนี้นี่ถาละตรงนี้ได้ก็ละมานะได<ม>้ต่อไปอะไรอุทจะอุทจักหรืออุทจักกุกุ จ, จักพระอนุลุท ธ, ธะ เ, เข้าไปถามภาษาลีบุตร<ม>ท่านก็เลิดด้านทิพย์ญจักกุท่านก็บอกว่า ท่านตรวจดูการเกิดการตายทั่วโลกอาท่านเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งค่ะไม่เบื่อสักทีก็พยายามจะดูสัตว์เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นไปตามกรรมด้วยอะไรไปเกิดเป็นอะไรเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยทาไมผู้เจ้าไม่เปิดสวรรค์เปิดนรกดูเลยคนจะได้กลัวจะได้ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลอ่ะเนี่ยพระนุรุธท่าเนี่ยดูเก่งจะตายยังไม่บรรลุเลยใช่ไหมนั่งดูนั่งรู้นั่งเห็นก็ยังไม่บรรลุเลย ไม่ใช่ว่าคนเห็นนรกสวรรค์แล้วมันจะบรรลุนะอืมก็เหมือนกับคนอยู่กบับศพนะอืมเราไปนิติเวศผ่าศพคนผ่าศพมันก็ผ่ากันทุกวันมันไม่บรรลุธรรมนะเนี่ยเพราะยังกินเหล้าเมายากันอุตลุดอยู่เลยนะอ่ามันน่าบรรลุจริงๆอยู่กับสบทุกวันเลยนะเนี่ยอืมมีปัญหาว่าทำยังไงเนี่ย ดูการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั่วโลกธาตุกันหลายพันรอบแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมก็เลยมาถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยให้ให้มุมไปว่าความที่ท่านรู้สึกว่าท่านตรวจ ด, ดูโลกธาตุทั้งหลายได้นะ่ะอย่างคล่องแคล่วอย่างชำนิชำนาญนะ่ะนี่เป็นมานะของท่านอืมเป็นตัวตนของท่านท่านรู้สึกว่าท่านเก่งท่านทาได้ท่านดีมีความสามารถตรงนี้ นะอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ท่านองละอืมความความรู้สึกอยากที่จะเข้าไปบรรลุเป็นพระรหลานเนี่ยภาษารนะิบอันนี้เป็นอุทจจะของท่านอนะนะนะเป็นสังโยชน์ขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะอุทจจะแล้วก็อวิชาสุดท้ายแก่ยววิชาเพราะฉนะธธรรนั้นอุทจจะนี่ต่อจากอาวิชาเลยนะอนะฟุ้งซ่านเะี่ยเป็นความฟุ้งของท่านที่อยากจะสําเร็จเป็นพระหรหลาน ความกังวลว่าตัวเองยังไม่สําเร็จสักทีเนี่ยภาษาริบุตรนี่เป็นกุกุจจะของท่านความภาวะพะวเอาทำไงไม่สําเร็จสักทีปะเนี่ยการคิดอยู่นั่นน่ะไม่สําเร็จสักทีนไอเพียนมากเนี่ยเป็นอุทจจจะนปรุงนให้ความกังวลที่ไม่สําเร็จเป็นกุกุจจะนี่ภาษาริบุตรแยกอีกนะมีความละเอียดของท่านความที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถนี้เป็นมานะ ท่า น, น, นรู้ท่าก็เอาธรรมะตรงนี้ไปเรียนโยมนั่งสมาธิค่อยคุนพิจรารณาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเอาวิชาความไม่รู้ความไม่รู้ในหลายไม่รู้ในอริยสัจสีไม่รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงไม่รู้ว่าธรรมะฝ่ายสมมุติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงไม่รู้แค่นี้นะถ้ารู้แล้วก็อยู่ในปิมุติน์ถ้าไม่รู้ก็ หล่นมาในระบบสมุดยึดสมุดเป็นตัวตนหมดแล้วสังโยศ ส, สิทธ <laughs>